ยึดมากจะรู้สึกหนักที่ใจรักมากใจจะเบาว่องยึดไกลมากแลว่าคาดหวังความสุขจากคนนั้นมากผิดหวังเล็กๆน้อยๆก็ทุกข์มหันแล้วยึดไกลมากจึงมีสิทธิ์เป็นทุกข์จากคนนั้นมากระหว่างรักจริงกับหลงยึด มีเส้นแบ่งบางๆที่สำรวจรู้ได้ด้วยตัวเองผ่านระดับความเมตตาและความคาดหวังเมตตาคือกระแสสุขในตนและอยากเผื่อแพ่สุขให้เขาหรือเธอส่วนความคาดหวังคือความหอยหิวในตนอยากเรียกร้องให้เขาหรือเธอเอาความสุขมาป้อนรักจริงจะเปลี่ยมเมตตา เกินกว่าความคาดหวังเมื่อผิดหวังก็ไม่ได้ทาให้ความสุขลดลงส่วนหลงยึดจะมีความคาดหวังมากกว่าเมตตายังเป็นทุกข์ไม่เลิกจนกว่าจะเติมเต็มความคาดหวังความรักในลักษณะของเมตตาแบบพุทธจะต้องเป็นความรักในลักษณะที่จิตใจมีกระแสความสุขบรินำออกมาก่อน มีการเปิดมีการแผ่ออกไปแบบไม่มีประมาณตอนที่แผ่ออกไปแบบไม่มีประมาณใจจะสบายและไม่ติดค้งจะรู้สึกว่าให้ไปแล้วไม่นึกถึงหน้าของผู้รับไม่นึกถึงผลตอบแทนที่เราจะได้รับกลับมามีเมตตาแบบแผ่ไปแล้วไม่ม้วนคืนกลับมาใจจะไม่เล็งอยู่ที่หน้าของเขา แต่จะอยู่กับกระแสทางใจที่มันออกไปแล้วมันมีความสุขจริงๆลักษณะจิตแบบนั้นเป็นจิตของผู้ที่แผ่เมตตาเป็นสำรวจง่ายๆยึดมากใจจะหนักอึ้งรักมากใจจะเบาว่อง